เวลาที่เรานั่งกรรมาฐานแล้วพอสักพักหนึ่งนานๆไปเราก็จะเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าคนรอบข้างเลยแล้วก็คือแบบเหมือนเราจะอยู่คนเดียวหลดโลกอ่ะเหมือนกับมันจะอยู่ในส่วนที่<อ>ลึกกอใช่ในนคือถ้าถ้าสมาธิมันเข้าไปลึกมันก็จะเป็นอย่างนี้คือมันก็ไปจมอยู่ข้างในเราอยู่นิ่งๆอยู่ข้างในมันอยู่ลึกเสียงดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยิน แล้วบางครั้งถ้าเกิดสมมติเราลึกไปแล้วแบบบางทีสมมติอยู่ที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าคนเปิดประตูแรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีแบบสะดุ้งสะดุ้งมากใช่ใช่ใะซึ่งดุแรงเพราะว่าเราอยู่ในพวังพอกระแทกแรงมันกระเทือนก็มาหากายเราแรงก็ออกแรงเครจะไหมค่ะก็จะเป็นบ่อยมากเออนี่นี่นี่ก็คือโยมจมเป็นสมาธิที่โยมจมลึกดิ่งลึกเข้าไปแต่โยมไม่ได้มีปัญญาอะไรที่จะทําให้มาเห็นอนิจจังทุกขังอนาตตา เพราะนั้นปัญญายานของโยมไม่เกิดขึ้นเพราะโยมก็จะอยู่ขนานี้ะแล้วก็สมาธิลึกขนาดไหนออกมาก็อีกอ่ะพอกระทบอารมณ์อย่างที่ว่านี้แค่ปิดประตูแรงๆมก็กระเทือนเข้ามาเราก็ตกใจสุดขีดน่ะกระเทือนทั้งกายจะเกินทั้งจิตเราพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านยิ่งเข้าลึกกว่า น, นั้นอ่ามีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งสมาธิอยู่ที่ก็อ่าอยู่ที่ป่าในป่าแห่งนั้นมันเกิด คว้ามันผ่าผ่าคนตายคนตายกี่คนไหนจำตัวเลขไม่ได้นะวัวก็ตายวกคนตายวัวตายแล้วชาวบ้านเขาก็มาดูคนตายแล้วก็วัวตายอะไรต่ออะไรมีเรื่องมีเราเยอะแยะแต่ผู้เจ้ายังสงบเงียบอยู่ข้างในจากนั้นพอผู้เจ้าก็ออกจากสมาธิแล้วก็เดินมาเอาเมึกยี้นี้พระคุณท่านอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ เอาแล้วท่านได้ยินเสียงฟ้าผ่าไมไม่ได้ยินล่ะโอ้ฟ้าผ่าคนจีโจงกระทั่งคนตายวัวตายนี่ท่านไม่ได้ยินเลยเหรอโอ้นาอัศจรรย์มากเขาสมัยนั้นเขายกย่องสมาธิอันนี้แสดงว่าสมาธิของพระเจ้าสามารถเข้าไปลึกซึ้งก็ได้สามารถทำคือพระองค์เกิดยานแล้วเกิดวิปัสสนาญาณแล้วเกิดสิ้นอาสวะแล้วแต่ว่า พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัตพิเศษสามารถเข้าสมาธิลึกซึ้งได้ด้วยเป็นการพักจิตหรือว่ามีลูกศิษย์ของอุทกาดาบท อ, อะไรเนี่ยก็ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของอุทกาดาบทเนี่ยมาเล่าให้พระเจ้าฟังว่าเนี่ยอาจารย์ของเขาอ่าค uh ่ะ huh. มีนั่งสมาธิอะไรเบอร์มันเป็นถุงเกลียนอะไรผ่านมาผ่านมาตั้งห้าร้อยเขาไม่รู้สึก uh huh. แล้วพระเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโอ้พ oh, อ พระ อ, องค์น่ะยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระ อ, องค์เล่าพระ อ, องค์จบแล้วก็ถามว่านี่ที่เราเล่ากับไอเรื่องของอาจารย์ของเธอเป็นยังไงบุ๋มโอของพระอาจารย์เนี่ยของท่านอาของอของพระ อ, องค์เนี่ยลึกซึ้งกว่า mm. เขาก็เขารับผู้เจ้าขึ้นมาผู้เจ้าสอนเขาเพราะเขาติดในเรื่องของสมาธิจย่างนั้นก็ดึงเข้ามาปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่ยึดติดข้องอะไร mm. ไอ้ฐานของสมาธิก็ดีแล้วที่ยมฝึกมาถ้ายอมก็ต้องหาทางต่อยอด ให้มันพ้นทุกข์นะแล้วถ้าเกิดประเด็นที่ว่าเวลาที่เราจะชอบตกใจเวลาเราเข้าลึกๆแล้วเราตกใจในไว้วันข้างหน้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงฮะโยมไม่ต้องเข้าลึกโยมพยายามเอาจิตมาสลายร่างกายเนี่ยให้มันเป็นผุยเป็นผงให้มันยึดถืออะไรไม่ได้เข้าใจไหมค่ะเอามาดูตัวเราเนี่ย<ม>จะย่อขยายก็ย่อตัวเรานี่ขยายตัวเรานี้เล่นเลยเข้าใจไหมจากนั้นก็สลายมันไปเป็นเท่าเป็นทานให้มัน ระเบิดไปเลยหายไปเลยนะไม่มีตัวตนเลยเอาอย่างนั้นเลยทั้งกายทั้งจิตให้มันหายไปให้ได้นะไปฝึกแบบนี้แล้วโยมก็จะพ้นทุกได้ค่ะงั้นกลับเรียนถามข้อสุดท้ายนะคะการฝึกไรมโนมิจิที่ค่ะพูดถึงฝึกเพื่อรู้หรือว่าฝึกเพื่อรู้นี่ที่เราฝึกทั่วๆไปด้วยควบคู่กับทั่วๆไปนี่อ็จะมาไม่รู้ไม่เคยฝึก อาจจะลองไม่เคยสุดนะ